สวัสดีครับผมผมออร์ฟอนะครับผมห่วงสุขภาพและปัจจุบันนี้โรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันมาแบบมากับลมมากับอะไรมาต่างๆนานาแม้แต่ของกินที่เรากินเข้าไปเนี่ยเราไม่สามารถจะรู้เลยหรืว่ามันมีสารอะไรตกค้างอยู่บ้างพี่น้องครับเวลาท่านมีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายปวดแขนปวดขาปวดเข่าปวดตามข้อปวดตามกล้ามเนื้อปวดเอวปวดหลังปวดไหลปวดแม้แต่กระทางปวดบันดาเอาว่าง่ายๆเงี้กัน่น้อ แต่ที่แน่ๆเลยครับพี่น้องครับออกกําลังกายสม่ําเสมอแล้วก็ทานตัวนี้ควบคู่ไปด้วยสมุนไพรแคปซูลเพชร ด, ดีกล่องสีเขียวเรื่องะครผมเชื่อเลยเกินว่าช่วยท่านได้แน่นอนเพื่อความมั่นใจโปรดสังเกตสติ๊กเกอร์3 ม, มิติสะท้อนแสงพิมพ์คําว่ากล้วยกล้วยและมีรูปกล้วยติดที่กล่องและฝากระปุกทุกกล่อง cross center ศูน์ 0-8518830-32 ครับผมฝากเขาด้วยแล้วกันเนาะแล้วค่อยมาระมงกับผมนะครับปิดไฟใส่กลอน